สิกขาบทที่4เรื่องพระชัพขี579สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพวกพิสุชัพขีนั่งเปิดกายในละแวกบ้านพระบัญญัติ4่พึงทำความสำเนียกว่าเราจะปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านเรื่องพระชัพขีจบสิกขาบทวิพังภิษุ พึงปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งเปิดกายในละแวกบ้านต้องอบัติทุกกฎอนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข่ห้าภิกษุอยู่ในที่พัก6กภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง7จภิกษุวิกลจริต8ปภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่4จบ